บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้เป็นมหามงคลพิเศษอย่างที่ทราบกันคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นมิ่งขวัญจุดรวมใจของประชาชนภายในชาติ ทุกรอบปีที่ผ่านมานั้นทางวัดปฐรวิเวทวิหารได้จัดให้มีการบําเพ็ญจิตภาวนาพุโทโธเพื่อรวบรวมพลังจิตอันเกิดขึ้นจากภาวนาใหม่ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กระทำบำําเพ็ญในวโรกาสนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระองค์ทรง สมบูรณ์ด้วยพระปรลานาใหม่มีพระชนมายุยืนนานเป็นร่มก้กวของชาวไทยตลอดไปเพื่ออนุวัตตามกาลสมัยที่มาถึงข้าวจะได้พูดถึงเรื่องจิตภาวนาในส่วนที่เป็นเทวตานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของเทวดาอันเป็นอนุสติประกาศหนึ่งในอนุสติ สิบประการซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้มีขั้นตอนของความสงบเป็นเช่นเดียวกับกรรมฐานข้ออื่นๆทางพระพุทธศาสนาได้แสดงเทวดาเอาไว้เป็นสามประเภทด้วยกันคืออุปติเทพแปลว่าเทวดาโดยการอุบัติซึ่งท่านเหล่านั้นได้สร้างสมอบ ร, รมบุญกุศลเอาไว้ มีปริมาณสูงเมื่อทำกาลกรญยาตายไปแล้วก็บัติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงอานิสงส์ของการทำความดีมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นจะจบลงด้วยอานิสงส์ข้อสุดท้ายว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ เทวดาอีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าสมมติเทพแปลว่าแปลว่าเป็นเทวดาโดยสมมติคือเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอย่างนัยยะแห่งพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงไว้เป็นใจความว่าในหมู่มนุษย์ที่ยังถือชาติโคตรกันอยู่กระสัตเป็นผู้ประเสริฐสุดอย่งนี้ซึ่งเป็นการเชื่อเห็นว่าพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศนั้น อยู่ในฐานะผู้สูงสุดในด้านต่างๆสำหรับประชาชนภายในประเทศชาติของพระองค์พระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นส ม, มุติเทพคือเทวดาโดยส ม, มุติประการที่สมนั้นเรียกว่าวิสุทธิเทพแปลว่าแปลว่าเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์โดยปริยายสูงสุดนั้นหมายเอาพระอระหันต์ซึ่งบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลส ท, ทั้งหลาย แต่ว่าโดยนิยะทั่วไปท่นานใช้คําว่าเป็นเทวดาโดยธรรมซึ่งหมายความว่าประชาชนคนสามัญทั่วๆๆไปเมื่อน้อม น, นำธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นเทวธรรมมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาโดยธรรมข้อนี้พึงเห็นเทวธรรมบางหมวดที่ทรงแสดงไว้เช่นทรงแสดงว่า ฮิริความละอายแก่ใจโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทำทั้งสองประการนี้เรียกว่าเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาดังนั้นจึงเป็นการเชี่ย้เห็นว่าด้วยอัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้เองหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสามารถพัฒนาจิตใจของบุคคลให้ดำเนินไปจากจุดต่ำสุดที่เรียกว่าอันถาระุตุชน จนกลายเป็นกันลยาณนชนจนกลายเป็นเทวดาโดยธรรมและเป็นอริยชนตามลำดับไปหรือว่าธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยการศึกษาสับจับฟังสมบูรณ์ด้วยจาคะการบริจาคและสมบูรณ์ด้วยปัญญาจัดว่าเป็นเทวธรรมซึ่งมีความหมายโดยสานองเดียวกัน ดังนั้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีคุณสมบัติสามารถขจัดสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้ออกไปจากจิตใจของบุคคลสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางสงบในทางสะอาดในทางประณีตให้บังเกิดขึ้นภายในจิตจนถึงมีความสะอาดอย่างแท้จริงเป็นจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นการเปิดโอกาสกว้าง ให้บุคคลผู้เป็นพุทธเวทนยคือสามารถศึกษาได้สามารถแนะนำได้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอาศัยเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนให้มีความสงบประณีตโดยลำดับดังกล่าวแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของพระราชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุฬา พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นทุกพระองค์จึงประกอบด้วยทศพิตราชธรรมที่แปลว่าธรรมะสาหรับประราชาชนสิบประการด้วยกันโดยความเข้าใจทั่วไปแล้วคนมักมีความรู้สึกว่าทศพิตรราชธรรมนั้น ท่านบัญญัติไว้สำหรับผู้ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ประการใดซึ่งเป็นความเข้าใจผิดพลาดจากผิดพลาดอย่างมากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะคําหมายของคําว่าราชาหรือราชานั้นแปลว่าผู้ทำให้บุคคลอื่นเกิดความชื่นชมยินดีซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่ประกอบด้วยราชาธรรมทั้งสิประการ หรือแม้แต่เพียงบางประการก็อย่อมก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับหาสมาคมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของตนดังนั้นเรื่องของทศพิธราชธรรมที่มีอยู่ในพระมหากษัต ร, ริย์หรือพระราชานั้นจึงเป็นธรรมะที่สาธารณณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาชีวิตยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นทศพิตราชธรรมประการแรกคือทานได้แก่การให้ข้อนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงดำรงอยู่ในทศพิตรราชธรรมข้อนี้เป็นอย่างมากทรงให้ทั้งในส่วนที่เป็นอมิตรคือวัตถุสิ่งของทรงเคราะห์ อ, อนาประชาราษฎรผู้ยากไร้เดือดร้อนในถินต่าง ทรงให้ในด้านอภัยทานซึ่งเป็นการประทานชีวิตของบุคคลแปะที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตไปแล้วก็ให้หลุดพ้นจากการถูกประหารชีวิตไปได้ประการที่สามทรงให้ธรรมะเป็นทานข้อนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าลองสังเกตตรวจสอบดูจะพบว่าพระบรมราโช ว, วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าชุาชกหัว ที่ทรงประทานในที่ต่างๆนั้นเป็นการแสดงถึงธรรมะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดจากการศึกษาความรอบรู้และผลจากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เองการให้ทั้งสามประการนี้ถือว่าเป็นหลักที่ทรงประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและคงจะมีเช่นนั้นต่อไปประการที่สองทรงประกอบด้วยศีล คือมีพระมีความประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้สามารถควบคุมกายวาจาให้เป็นไปในทางปกติตามคันลองแห่งศีลได้ประการที่สามนั้นทรงประกอบด้วยการบริจาคคือการเสียสละสมเคราะห์อนุเคราะห์แก่ประชาชนข้อนี้เพิงเห็นได้ว่า เมื่อองค์ธรรมมาประกอบกันอยู่สองแข่งในลักษณะนี้คือมีทั้งส่วนที่เป็นทานและส่วนที่บริจาคนั้นหมายความว่าส่วนที่บริจาคมุ่งเน้นหนักไปในด้านการสงเคราะห์การอนุเคราะห์เพื่อบำบัดทุกยากของบุคคลผู้ประสบความทุกยากเป็นการแสดงออกซึ่งอัศยาสัยไมยตรีอันกรอบด้วยความเมตตากรุณาต่อ บ, บุคคลเหล่านั้น ในส่วนที่เป็นทานจึงเน้นหนักไปในด้านการเสียสละรู ป, ปรวัตถุเพื่อบำบัดมัจฉริยะความสนีเหนียวแน่นและความโลภในทรัพย์สมบัติให้ออกไปเป็นต้นรวมถึงการให้อภัยและการให้ทานธรรมดังที่กล่าวมาแล้วประการที่สี่ทรงประกอบด้วยความซื่อสัตเป็นอย่างจริงคําว่าซื่อสัตนั้นได้แสดงออกมาในรูปของสัจจะปฏิยาน ที่พระองค์ทรงให้ไว้เมื่อเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจอความโดยสรุปว่าข้าพระเจ้าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวสยามสัจจะปฏิญาณเหล่านี้ได้ทรงปฏิญาณใน่าำกลางเสนาข้าราชการเป็นนันมากและตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ทรงรักษาสัจจะปฏิญาณเหล่านั้นเอาไว้อย่างมั่นคง ทรงประพฤติพระองค์ทื่อทรงต่อคาสัจจะปฏิญาณต่อพระองค์เองต่อพระราชภาระต่อประชาชนภายในชาติเป็นอย่างสูงซึ่งพระคุณสมบัติเหล่านี้ผู้ที่มีใจเป็นธรรมไม่มีความลำเอียงเลือกคติอยู่ภายในจิตใจแล้วก็จะเห็นได้ประจักษ์ชัดไม่จำเป็นจะต้องใช้การพินิษพิจารณามากมายอะไรประการที่3ทรงประกอบด้วยมัต ประการที่หทรงประกอบด้วยมัทวะคือความอ่อนโยนคำว่ามัทวะที่แปลว่าความอ่อนโยนนั้นเป็นอาการที่แสดงออกถึงจิตใจของบุคคลที่ปราศจากมานะความถือตัวเพราะว่าตัวมานะนั้นเป็นกิเลสที่มีความสำคัญสร้างความแข็งกระด้างให้บังเกิดขึ้นภายในจิตก่อนแล้วต่อแต่นั้นก็แสดงออกมา ทางอาการกายวาจาของบุคคลแต่บุคคลใดก็ตามที่สามารถบรรเทามานะความถือตัวลงไปได้ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาเราเสมอเขาหรือเราว่าเราเลว ก, กว่าเขาแล้วแสดงออกมาให้เห็นได้ทางอาการกายทางอาการวาจาเป็นผู้อ่อนจนย่อมเป็นผู้ชื่อว่าได้ขจัดมานะเหล่านั้นลงไปได้ตามปกติแล้ว มานะนั้นมักจะเกิดขึ้นเพราะความเคารพตนเองให้ความสำคัญแก่ตัวเองเป็นใหญ่เช่นถือว่าตนมีชาติสูงมีทรัพย์มากมีวิชาความรู้มากมีฐานะในสังคมสูงเป็นต้นและเป็นเหตุได้เกิดมานะขึ้นอันที่จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงอยู่ในฐานะที่จะให้เกิดมานะได้เป็นอันมากพระฐานะของพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแต่ทรงสลายมานะลงไปได้ วางพระองค์เป็นผู้อ่อนโยนต่อบุคคลทั้งปวงซึ่งได้สร้างความประทับใจให้พูดให้แก่ผู้ที่เข้าเฝ้าและประสบพบเห็นพระองค์ประการต่อไปคือตาปะคําว่าตบะนั้นบางครั้งมักใช้ควบกับคําว่าตบะเดชะซึ่งเป็นพระบารมีธรรมอย่างหนึ่งของพระองค์บางครั้งก็แสดงออกมาอย่างเรียกว่าเป็นปาฏิหาร คือสร้างความอัศจรรย์ใจสร้างความสนใจให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ประสบพบเห็นแต่ในการใช้นั้นก็คือความเพียรพยายามที่แรงกล้าซึ่งเหนือกว่าความเพียรพยายามของบุคคลทั่วไปคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าในกรณีของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจบำบัดขจัดกิเลสแล้ว พระพุทธเจ้าจะทรงใช้ความเพียรในรูปของคําว่าตปะที่แปลว่าความเพียรซึ่งเผากิเลสให้เล่าร้อนซึ่งหมายความว่าปริมาณของความเพียร น, นั้นจะต้องมีความเข้มข้นสูงขึ้นเพราะทําไม่อย่างนั้นแล้วไม่สามารถที่จะสลายความรุนแรงของกิเลสให้เจือจางหรือเบาบางลงไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้ในการปฏิบัติ พระราชภาระต่างๆนั้นทรงประกอบด้วยความเพียรพยายามเป็นอย่างสูงเคยมีท่านผู้หนึ่งได้สรุปพระราชกิริยกริจของพระองค์ในปี2522ันห้า้ว่ามีถึงเจ็รอกว่าครั้งทั้งทางที่ปีหนึ่งมีเพียง3ามหวันเท่านั้นซึ่งเป็นการแสดงเห็นได้ว่าพระองค์มีพระราชภาระที่จะต้องปฏิบัติวันหนึ่งสองครั้งกว่าๆเป็นงานที่ เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากลำบากต้องอาศัยความตั้งใจจริงไม่หวั่นไหวต่อความเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นจึงสามารถจะกระทำได้แต่พระองค์ก็ทรงกระทำได้ประการต่อไปคืออักโกทังที่แปลว่าไม่โกรธซึ่งข้อนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของบุคคลทั้งหลายอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงมีพระ ท, ทัยมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ในส่วนที่เรียกว่าเป็นอนิธารมคือไม่แสดงอาการฉุนเฉียวหรือความโกรธออกมาให้ปรากฏการที่บุคคลสามารถควบคุมความรู้สึกในระดับนี้ไปได้จะต้องอาศัยการฝึกปรือการอบรมจิตของตนเองมาเป็นอย่างสูงเพราะตามปกติแล้วอารมณ์ที่มากระทบนั้นฐานะของบุคคลยิ่งอยู่ในที่สูงก็ถูกคลื่นแรง ถูกลมแรงแต่ใครที่ยืนอยู่บนที่สูงสามารถต้านคลื่นต้านลมได้ก็ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีหลักธรรมะคือความไม่โกรธข้อต่อไปคืออวิหิงสาได้แก่ความไม่เบียดเบียนข้อนี้ก็คือลักษณะของกรุณาจิตที่แสดงออกมานั่นเองจะเห็นได้ว่าความกรุณาที่บังเกิดขึ้นและมีเปี่ยมล้นอยู่ภายในพระทัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นความกรุณาในลักษณะของฝนหลังฟ้าคือพร้อมที่จะตกลงมาในท้องถิน่นใดก็ตามซึ่งความกรุณาในลักษณะนี้เป็นความกรุณาประเภทที่เรียกว่าอัปมัญญาคือไม่มีประมาณไม่ได้เลือกชนชั้นวัฒณะของบุคคลว่ายากดีมีจนอย่างไรยิ่งบุคคลใดที่ประกอบด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนมาก พระองค์ก็จะมีความกรุณาในบุคคลเหล่านั้นมากลักษณะกรุณาจึงเป็นพระคุณประการหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านแสดงไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเมื่ออาสวะกิเลสหมดไปจากพระไทยและจากจิตใจจิตดวงต่อมาก็คือกรุณาจิต ท, ที่เกิดขึ้นอย่างเปี่ยมล้นภายในพระไทยและจิตใจของพระอรหันต์เหล่านั้น ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นผู้ยังอยู่ตกผู้ยังตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่ท่านกําลังประสบอยู่กรุณาจิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือปรารถนาที่จะบำบัดความทุกข์ของอาณาประชาราษฎรภายในประเทศให้บรรเทาบบางลงไปตามกาลังความสามารถที่จะกระทาได้ การแสดงออกซึ่งความกรุณาของพระองค์จึงก่อให้เกิดเป็นผลงานซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลอำนวยประโยชน์สู่ใข้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นนัตมากประการต่อไปคืออวิโรธนะซึ่งแปลกันว่าไม่ประพฤติให้ผิดระเบียบแบบแผนตามหลักโดยทั่วๆไปแล้วคนเรานั้นมีวัฒนธรรมมีขนดธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การที่บุคคลสามารถรักษาคุณสมบัติเหล่านั้นเอาไว้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีวัฒนธรรมสูงในฐานะนั้นนันยิ่งพระราชประเพณีต่างๆนั้นมีละเอียดที่ยิบหรือเกินคนที่ไม่มีอัธยาศาัยละเอียดประณีตจริงๆก็ยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ข้อนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงปฏิบัติได้โดยถูกต้องสมบูรณ์ และข้อสุดท้ายคือเรื่องของขันติที่แปลว่าความอดทนเป็นตบะธรรมอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาข้อนี้จะพบว่าในโอวาท ป, ปาติโมก ค, คือคำสอนที่เป็นหลักเป็นประธานของพระพุทธศาสนานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มด้วยคำว่าขันติปรมังตโพติขาซึ่งแปลเป็นใจความว่าขันติเป็นตบะธรรมอย่างยอดยิ่ง ซึ่งหมายความว่าบนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บุคคลต้องการนั้นบุคคลจะต้องประสบกับอุปสรรคพยานอันตรายนานาประการที่เกิดขึ้นบนเส้นทางสายนั้นถ้าหากว่าขาดขันติคือความอดทนเป็นหลักคุ้มครองใจแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูงและพิเศษจริงๆบุคคลที่เคยไปเกี่ยวข้องในพระราชกรณกิจบางอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาผู้สเร็จการศึกษาเป็นต้นทรงประทับนิ่งเพียงแต่ทรงปริญญาบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษาซึ่งมารับปริญญาใช้เวลาบางครั้งถึง3าสี่ชั่วโมงโดยไม่ดื่มน้าไม่ขยับเขยือน แต่ประการใดและไม่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะการทํางานเหล่านั้นแต่ประการใดเลยซึ่งแน่นอนว่าโดยปกติแล้วจะต้องประสบกับทุกขเวทนาอาการปวดเมื่อยมีประการต่างๆเพระาะทราบกันมาว่าเวลาซ้อมรับปริญญานั้นอาจารย์ซึ่งทําหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาซ้อมนั้นจะต้องเปลี่ยนกันถึง56คนบางครั้งถึง78คนโดยใช้ระยะเวลาเดียวกัน แต่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับนั่งประธานปริญญาบัตรแกนิสิตนักศึกษาเพียงลำพังพระองค์เองโดยไม่แสดงให้เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยและปวดเมื่อยแต่ประการใดนี่คือขันติธรรมอันแรงกล้าซึ่งมีอยู่ภายในของพระไทยของพระองค์ที่สามารถอดทนต่อทุกเวทนาต่างๆที่เสียดแทงพระวรกายอยู่ได้เป็นอย่างดีขันติคือความอดทนที่บุคคลจะต้องใช้ไปนั้น ตามปกติแล้วก็ใช้ไปในกรณีสามเรื่องด้วยกันคือเรื่องที่เกี่ยวกับความวิริตรแปรปรวนของธรรมชาติต่างๆซึ่งเกิดขึ้นคนเราก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเหล่านั้นไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ที่วิริตรของธรรมชาติได้เมื่อประสบเข้าก็มีแต่อาศัยความอดทนเท่านั้น อิประการที่สองก็คือทุกเวทนาความเหนื่อยจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเพราะการปฏิบัติภารกิจใการงานเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องทําอยู่แล้วจะต้องอดทนอยู่แล้วก็ต้องอดทนเรื่องเหล่านี้ให้ได้และที่สําคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นการวัดคุณภาพจิตของบุคคลก็คือการอดทนต่อถ้อยคําการกระทำที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงกระตุ้น ความโกรธได้บงังเกิดขึ้นแต่ใครสามารถอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นได้ก็ชื่อว่าเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งสม บ, บุคคลผู้นั้นทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทศพิธราชจะทำทั้งสิบประการมีอยู่สมบูรณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุัวและแต่ละข้อแห่งทศพิตรราชจะทำเหล่านั้นได้ทรงปฏิบัติเต็มตามสติกำลังคุณภาพแห่งธรรมะได้แผ่ออก เพือกูลแก่พระองค์เองและอาณาประชาราษฎรทั้งหลายดังนั้นการที่ประสบนิกรภายในชาติปรารถนาที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์นอกจากจะแสดงด้วยวิธีอื่นแล้วยังอาจแสดงด้วยการตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นพระองค์ดำรงพระชนมายุยืนนานปราศจากโรคภัยอันตรายต่างๆมาเบียดเบียน เพื่อเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของชาวไทยตลอดไปอย่างที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาประชุมพักพร้อมกันกระทำบำเพ็ญในขณะนี้และที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งมีผลเกื้อกูลต่อบุคคลภายในชาติแต่ละคนอย่างแท้จริงก็คือการน้อมนำเอาทศพิธราชธรรมทั้งสิบประกาศนั้นมาเป็นหลักในการดาเนินชีวิต เพราะอะไรเพราะว่าทศพิธราชธรรมนั้นเป็นธรรมะของนักปกครองของผู้ปกครองประเทศไทยเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอย่างที่ทราบกันแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้มีอำนาจในการปกครองแต่ไม่ได้นำธรรมะของผู้ปกครองเข้าไปใช้ด้วยถ้าหากว่านำธรรมะของผู้ปกครองทั้ง10ประการเข้าไปใช้ด้วยแล้วความร่มเย็นเป็นสุข ก็จะบังเกิดขึ้นภายในประเทศนั้นๆแต่อีกในฐานะหนึ่งนั้นคนแต่ละคนก็อยู่ในฐานะผู้ปกครองในจุดย่อยที่สุดก็คือการปกครองตัวเองและจุดที่ขยายออกไปคืออาจการปกครองบุคคลภายในครอบครัวปกครองคนในหน่วยงานและขยายวงกล้างกว้างออกไปโดยลำดับธรรมะทั้งสิบประการนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นราชธรรม คือธรรมะที่ก่อให้เกิดความยิน ด, ดีแก่บุคคลใครก็ตามที่มีธรรมะทั้งส0ประการเหล่านี้แล้วก็ก่อให้เกิดความเคารพความรักความนับถือเชื่อฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติตามบางครั้งแม้จะเสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งบุคคลนั้นก็อาจที่จะกระทำได้ธรรมะทั้ง10ประการที่ควรน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติ ก็มีนัยยะเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วคือในส่วนของทานนั้นจะต้องแสดงออกได้ในสามลักษณะชั้นแรกเป็นการเสียสละวัตถุพัสดุเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งจะเห็นได้ว่าในการบริจาคเหล่านี้จุดเริ่มจริงๆก็คือทาหน้าที่ขจัดมัจฉริยะความสนีเนียวแน่นให้ออกไปจากจิตใจของตน ผลที่บุคคลจะได้ประสบในขณะนั้นก็คือความปรับปริ่มใจความเอิบอิ่มใจที่เห็นได้ในทันทีทันใดหลังจากเกิดเจตนาที่จะบริจาคฐานและในชั้นของการให้อภัยนั้นจะเห็นได้ว่าภัยเป็นเครื่องก่อเวรก่อกำสืบภพสืบชาติกันหาข้อยุติไม่ได้การให้อภัยก็คือทาเวรกรรมเวรภัยเหล่านั้นไม่ให้บี ยุติกันเพียงเท่านั้นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงก็คือเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ที่ให้อภัยก่อนเพราะสามารถสงบความอาฆาตพยาบาทความขุ่นเคืองความแค้นใจที่มีอยู่จากการกระทำของบุคคลอื่นลงไปได้และส่วนที่เป็นธรรมทานซึ่งทรงสแสดงว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวกนั้นไม่ได้หมายความว่า บุคคลที่อยู่ในฐานะให้ธรรมทานคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุัวหรือพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแท้ที่จริงการให้ธรรมะเป็นทานคนทุกคนอยู่ในฐานะที่จะให้ได้ที่จะทำได้ด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างด้วยการชี้แจงแนะนำในทางที่ถูกที่ชอบบ้างหรือว่าบางครั้งบางคราวก็ เป็นการสอบถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันซึ่งการกระทาแต่ละอย่างนั้นเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้แนวในการดำเนินชีวิตตามคันลองแข่งธรรมบุคคลผู้ให้ธรรมะเป็นทานเองเล่าในขณะคิดจะพูดธรรมะหรือพูดธรรมะออกไปในขณะคิดจะพูดจิตก็ประกอบด้วยมโนสุจริต ในขณะพูดออกไปก็กลายเป็นวจีสุจริตซึ่งเป็นผลประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นดังนั้นราช จ, จะทำทั้งสิบประการที่กล่าววันนี้จึงเป็นธรรมะที่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาที่จะให้ตนมีความภาคภูมิเอิบอิ่มยินดีในความประพฤติของตนและปรารถนาที่จะให้ตนเอง เป็นที่ยอมรับนับถือเชื่อฟังและปฏิบัติตามของบุคคลอื่นซึ่งเมื่อประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วนอกจากจะเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเข้าสู่คันลองแห่งราชธรรมแล้วยังเป็นการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นการบูชาอย่างสูงและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบันประมากษัตริย์อย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่งทำความสงบจิตภาวนาพุโทโธเพื่อ น, น้อมอุทิศกุศลถวายบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีของแต่ละท่านต่อไป